อวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้เห็นความจริงในกายนี้ไม่ให้ไม่ให้เห็นความเป็นจริงของกายนี้ไม่ให้เห็นความเป็นจริงว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมเนี่ยไม่ให้เห็นวัตตะและวิวัตตะไม่เห็นว่ากายเนี่ยเป็นที่อาศัยเกิดเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นเดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกขนมสดมีกรรมนะเป็นมีกรรมเป็นปัจจัยแล้วก็กายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมแล้วก็ ทิ้งกายเหล่านี้แล้วก็โดยมากก็ถือเอากายอันใหม่ๆไปด้วยก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ทำไงอวิชาก็ปกปิดทีนี้ถ้าปรารถนาจะรู้ก็เรียนรู้เรื่องกายนี่แหละเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปสี่เป็นต้นเมื่อเรียนตามความเป็นจริงก็มณสิกาทา่กากรรมฐานเพื่อที่จะละโมหะอย่างเช่นเนี่ยนะเ ช, นเช่นพิจนาท่าสี่ก็บอกว่าผมที่เกิดบนศรีรษะมันก็ไม่รู้รอกว่ามันงอกอยู่บนศรีรษะศรีรษะมันก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยงอกอยู่บนตน นะขนก็เหมือนกันที่มันงอกอยู่ในกายนี่มันรู้ไหมว่ามันงอกอยู่ในกายกายเนี่ยเป็นที่งอกของเส้นผมเล็บเนี่ยมันรู้ไหมว่ามันงอกที่ปลายนิ้วและปลายนิ้วมันรู้ไหมว่าเล็บเนี่ยไปไปงอกที่ตัวผิวหนังมันรู้ไหมว่ามันหุ้มกายกายรู้ไหมว่าผิวหนังนี่หุ้มตัวอยู่เนื้อรู้ไหมว่าตัวเองนี่ฉาบกายโครงกระดูกเป็นต้นโครงกระดูกเป็นต้นรู้ไหมว่าเนื้อมาฉาบตัวเอนรู้ไหมว่าตัวเองยึดโครงกระดูกโครงกระดูกนี่รู้ตัวไหมว่าตัวเองนี่ถูกเอ็น รัฐยึดเอาไว้แล้วก็กระดูกท่อนบนรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยตั้งอยู่บนกระดูกข้างล่างข้างล่างกระดูกล่างรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยตั้งตั้งจนถึงว่ากายนี้รู้ไหมว่าตัวนี้ตั้งอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกายเหล่านี้ก็ไล่ไปเนี่ยนะข้างในอีกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกรู้ไหมว่าตัวเองอยู่ข้างในกระดูกกระดูกรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยอุ้มเยื่อในกระดูกเอาไว้เนี่ยนะ แม้กระทั่งไตเนี่ยไตที่เหมือนขั้วมะม่วงอยู่ข้างในมันรู้ไหมนะทั้งตายทั้งเครว่อตับพังผืดหัวใจเป็นต้นแต่ละอย่างไม่รู้แก่กันและกันเลยสิ่งเหล่านั้นเป็นอัพยากตะเป็นของว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลเป็นต้นแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะการเกิดขึ้นแห่งผมก็คือการเกิดขึ้นแห่งโรคการเกิดขึ้นแห่งขนแห่งเล็บแห่งฟันแห่งหนังเป็นต้นก็คือการเกิดขึ้นแห่งโรคฟันนั่นแหละคือตัว โรคเนี่ยนะแล้วก็การเกิดขึ้นแห่งเนื้อทั้งกล้ามเนื้อทั้งหลายหลายส่วนก็เป็นการเกิดขึ้นของโรคเช่นเนื้อโงอกเนี่ยนะแล้วเนื้อนอกแบบร้ายกาด้วยจะเป็นยังไงใชไการเกิดขึ้นแห่งเนื้อนั่นแหละคือการเกิดขึ้นแห่งโรคก็ดูทั้งหลายถ้ามันเน่ามันผุมันมีปัญหาก็คือตัวโรคหัวใจก็คือตัวโรค ตับก็คือตัวโรคปอดก็คือตัวโรคตัวลำไส้เป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็คือฝีก็คือโรคก็คือรูปสอนอนาเสียดแทงแล้วก็เป็นตัวที่ทุกข์ที่ต้องเป็นภาระในการบริหารดูแลบำรุงรักษาแต่ก็ไม่มีใครทําสำเร็จในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็สลายไปเพราะรูปคือสิ่งที่จำต้องสลายไปเป็นธรรมดาเนี่ย น, นะก็ต้องเรียนพิจารณาใครค้ควรมากๆแล้วก็สั่งสักทีหนึ่งว่างั้น าอาวิชาก็จะได้ปัญญาไปได้เกิดขึ้นเออาสาังไข่เนี่ยก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเออเนี่ยคือตัวทุกข์แหละเนี่ยทีนี้ถ้ารู้จักทุกข์แล้วค่อยยังชั่วหน่อย่ยที่จะสาวไปหาเหตุแห่งทุกข์แต่บางทีนะพอเจริญกรรมฐานไปมันไม่ง่ายหรอกอึงอางมันลำพองขึ้นมาอีกบางคนกาลังเรียนธรรมะปั๊บอึงมันก็อึ่งอางอึงอางเนี่ยนะ มันพระ อ, องค์ก็บอกว่าคําว่าอื้งอ่างนั้นเป็นชื่อของความคับแค้นด้วยอํานาจความโกรธมีคําอธิบายว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสาตรายกขึ้นซึ่งอื้งอ่างคือความคือจงละความโกรธและความคับแค้นจงขุดความโกรธและความคับแค้นอันนั้นเสีย บางคนนี่ก็จริงนะเริ่มศึกษาธรรมะไปได้ระดับหนึ่งพอจะเข้าใจมัง่งและอะไรเป็นภูตรูปอะไรเป็นกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงพระธรรมเป็นยังไงตัวเองจะต้องศึกษาศึกษาอะไรมีปัญญายังไงปาราลบความเพียนอวิชชาเป็นยังไงเอาไปเอามาเหยียบไปนะรองเท้ามันหลงคู่แค่นะั้นแหละอืองอางทํางา น, นะะอะไรกันเนี่ยอืงอ่างอึงอาง อ, อ, งอางะไรกันนะโกรธกันเนีพวกโกรธพวกศึกษาธรรมะด้วยกันเนี่ยแหละโอยโกรธกันดีเหลือเกินเนี่ยนะอย่างนั้น บอกเอ้ผู้ศึกษาธรรมะน่าจะสงบร่มเย็นบ้างอใช้บางเวลาตอนเฉียดมลก็สงบจริงๆนะทุกคนก็ตั้งใจสวดบอกหลังจากนั้นอ่หลังจากนั้นค่อยดูกันแล้วกันนะใช้หอบทิมกันไปทิมกันมาเนี่ยนะบอกโอ๊ยมีขนาดนี้ยังไม่มีเมตตาต่อกันบอกนี่ศึกษาธรรมะนะยังขาดเมตตาขนาดนี้ไม่ศึกษาจะขนาดไหนเนี่ยนะครรนหน้าฝนนะ่ยมันยังแรงขนาดนี้ถ้าเดือนเมษามจะแรงขนาดไหนเนี่ยนะนะก็ทําใจไว้เถอะแต่มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆความโกรธคืออึง้งอ่างเนี่ยมันทําให้ ยุ่งจริงมากเลยมาดูว่าอึงอ่างเป็นยังไงเนี่ยนะเวลาโกรดนี่อึงอ่างหน้าฝนจริงมันตายเพราะปากนะใครเ ก, เกิดมาเคยจับอึ้งนี่จะรู้เลยมาจับอึ้องในหลายคลยองกันเ <c oughs> พราหน้าฝนเนี่ยนะหน้าฝนประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยท่าน้ําท่วมน้ําขังเนี่ยโอ้ยอื่องมันก็ออกมาเพราะอื้งมันออกมาถ้ามันหุกปากบ้างมันอยู่เงียบๆนะมันไม่ตายหรอกแต่ว่ามันไม่ยอมเนี่ย มันก็อื้งอ่าอื้งอ่าอื้องอรู้บางทีมันก็แต่มันร้องแบบครอดครอดครอดจริงๆเลยนะมันร้องแบบมันโกรธมากเลยโกรธโกรธโกรธเลยนะแล้วมันก็ที่จริงมันไม่ได้ร้องหาหาหาข้องหาที่เชื่อหรอกแต่มันร้องอะไรนะร้องหาคู่นะแต่ว่ามันตายเพราะปากมันแท้ๆเลยมันก็ร้องพอร้องป๊บแล้วพวกนี้มันไม่มีพิษมีภัยมันก็จับใส่อึดจับใส่จับใส่จับใส่ข้องเอาไปต้มเพราะฉะนั้นประมาณสักเดือนพฤษภาอะไรเป็นต้นเนี่ยก็มีอื้องขายเนี่ยนะมีอื้องปิ้งขายยเนี นะปัญหาว่ามันไม่ค่อยมีให้กินแล้วทุกวันเนี่ยถามว่ากินได้ไหมเขาบอกมันไม่ค่อยจะมีกินกันแล้วทุกวันเนี่ยนะยนะเขาบอกว่าเป็นอาหารที่โปรดปรานของคนจํานวนไม่ใช่น้อยก็บอกว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเหมือนอื่งอ่างอธิบายว่าไอเอื่งอ่างนี่มันมีอื่งอ่างแบบอีกอีกอี ก, อ ก, อกสายพันธุ์หนึ่ง ได้ยินไหมอึงอ่างแบบแค่เอื้องแบบมียางยางเหนียวเต็มตัวไปหมดแล้วพวกนี้มันก็ร้องดังมากกรอดกรอดกรอ ด, รอดแล้วก็ร้องเสียงดังสนั่นไปหมดข้างข้างข้างๆคูน้าเนี่ยบ้านนอ้องจะมีเยอะเอื้องอ่างตัวนี้เนี่ยนะที่พองขึ้นไม่ใหญ่ประมาณเท่าหลังเล็บบางทีมันก็ตัวไม่ใหญ่หรอก ก, ก็ประมาณไอ้คำว่าหลังเล็บเนี่ยไม่รู้เขาแปลถูกป่าวจริงจมันก็คือสัก20ตัวต่อกิโลนะประมาณนั้นนะก็ประมาณสัก5กรัมเนี่ยนะประมาณนั้น หนักเยอะเหมือนกันเสร็จ แ, แล้วก็มันก็อยู่ระหว่างกอไม้ระหว่างเถ า, าวัลเนี่ยนะมันถูกปลายไม้ปลายเถาวันเนี่ยละอองฝุ่นเสียดสีมันก็จะขยายออกมีปริมาณโตเข้ามันก็จะแว่นเท่าแว่นมะตูมอือเอื้องได้เท่าไหนก็บอกว่าเท่าไข่นนเท่าไข่เป็ดไข่ไก่บางทีก็ตัวเท่าขนาดนั้นถ้ามันพองนั่นพองลมเข้าไปก็อึอ้องหน่อย นะมันก็ทีนี้ถ้ามันโกรธขึ้นมามันก็พองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นตัวมันยิ่งพองเท่าไหร่ขามันยิ่งหดลงหดลงหดลงหดลงก็งนี่พองขึ้นพองขึ้นนะทีนี้เดินได้ไหมแคน่นี้เดินไม่ได้มันก็เดินไม่ได้ก็เลยขามันหดจุดจูแล้วมันงายนอนงายแผ่พุงอ้วนพลุยอยู่นั่นแหละเสะร็จแล้วเสร็จอะไรเสร็จกาอะไรกันนี่ก า, กามันก็จิกเอาจะจิกท้องกับจิกเอาได้ จะจิกทองจิกตรงไหนคือเต่าเขายังช่วยไหมเต่านี่มันยังเข้ากระดองมันยังหดเข้ากระดองอ้นี้มันผิวหนั ง, งนะมันสุนัข ก, กับมันก็กัดครับเดียวมันก็เข้ามดแล้วมันก็เหมือนกัร ง, งับอะไรธรรมดาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอีกาก็จิกเอาอืองอ่างไปเนี่ยนะนกเขาเป็นต้นก็กัดไปสุนัขเก่งเจาะเป็นต้นก็เอาอืองอ่างไปมนุษย์ทั้งหลายเห็นก็เอาไปต้มฉันใดนะเขาเรียกว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจศัตรูคนที่โกรธก็เหมือนกันฉันนั้นเนี่ยนะนะก็คิดดูว่า เขาบอกว่าความโกรธที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นยังไงเขาบอกว่าเมื่อคราวแรกที่โกรธขึ้นเนี่ยเพียงแต่ยังจิตให้ขุนมัวเรื่องบางเรื่องเข้ามานี่ทำให้ไม่สบายใจก่อนนะอันดับแรกเบื้องต้นของความโกรธคือความไม่สบายใจถ้ายังคือสิ่งเหล่านี้มันโตขึ้นได้มันเหมือนกับแบบอะไรนะแผลติดเชื้อนะถ้าหากว่าไม่เรียบรักษามันจะค่อยๆ อ, อักเสบขึ้นไปเรื่อยๆอักเสบขึ้นจนกรดหนอง จนน้องไหลทะลากท่วมฉันใดความโกรธที่มีอยู่ในใจก็เหมือนกันเบื้องต้นก็แค่ร์คายเคืองก่อนระคายเคืองอะไรระคายเคืองพระทัยแล้วแนนนะระคายเคืองใจแล้วนะจะทําทให้ระคายเคืองใจเด็ดขาดถ้าถ้าไอ้ใจอันนั้นถ้าไม่รีบรักษาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ถูกข่มนะมันก็เริ่มคิ้วเนี่ยเริ่มชนกันแล้วหน้าผากจะย่นสมย่นเป็นต้ น, น่ยนะ คิ้วก็เริ่มขมวดขึ้นหน้านิ้วคิ้วขมวดอลยนะหน้านี่นิ้วเลยนะเรียกว่าเราหน้านิ้ ว, ว, นะ ว, วคิ้วขมวดเนี่ยนะคิ้วก็ขมวดแล้วหน้าเท่าใบมะขามแล้วเนี่ยขนงัวไปหมดนะคือคือมันมันดูรีบๆเหมือนใบมะขามขาว่างนั่นนะใครเห็นไหมเขาว่างนั้นสำนวนไทยเขาว่างนั้นะเราหน้าเท่าใบมะขามนะ่ะดูรล็กเดียวนี่เหงกเนี่ย น, นะมันรีบมันพยายามจะบีบให้ตัวเองนะหน้าจู๋ลงไนงะโกรธแรงๆเข้ามันหน้า กลัวเขาไม่รู้ว่าเราโกรธไหมต้องพยายามจะแต่สาแดงพิษมาะฉันกําลังโกรธนะทีนี้มันแบบแสดงทีท่า ย, ยังไงออกมาเขาก็มีใครสนใจเลยทําไงประตูก็เลยค้างในสันนะทําไมจะด่าแล้วนะเตรียมจะหาเรื่องเตรียมจะด่าแล้วคนะ้างมันสันก็เราะภาษานี้เราะคันปากน่ะนะคางสันก็คือคันปากคือบางเรื่องในบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นค้างสันขึ้นถ้าไม่ข่มตอนนั้นนะ่ะ มันเริ่มพูดแล้วนะตอนแรกมันจะไม่ค่อยหยาบเลยมันค่อยๆห ย, ยาบเพิ่มทีละนิดทีละนิดเพิ่มพิษแรงขึ้นจะเริ่มพูดคําหยาบถ้าไม่ข่มตอนนั้นมันจะเริ่มเหลี้ยวดูทิศนะนะเริ่มเหลี้ยวดูทิศดูทิศดูหน้าดูหลังบางทีนะมันหาเตรียมหาเรื่องเตรียมบางแผนทําลายอย่างหนึ่งอีกนางหนึ่งก็น้ํามืดเป็นลมไปถ้าหากว่าไม่ถูกข่มในตอนนั้นเนี่ยนะมันก็จะ ยื้อแย่งกันเนี่ยนะมันก็จะยือ้อมันก็จะทะเลาะกันเลยนะัะยกมือท่อนมือท่อนไม้หรือถ้าไม่ถูกคมเนะี่ยมันเริ่มหาอาวุธแหละหาก้อนดินหากอท่อนไม้หาสาตราถ้าไม่ถูกคมก็เริ่มประหัดประหารกันเนี่ยตะลุมบอลกั น, นะะลแล้วครับเนี่ยตุบๆตุบตเลยเสร็จแล้วถ้าไม่ถูกคมนะมันก็ฆ่าเขาในที่สุดก็ฆ่าเขาถ้าหาว่ายังไม่ถูกคมอีกมันก็เริ่มมาเล่นงานตัวเองประทุสร้ายถึงกับฆ่าตัวตายาเรียกว่าสุดยอดของ ความโกรธปกติแล้วคนนี่มันจะรักตัวเองมากที่สุดใช่ไหมถ้าโกรธถึงกับฆ่าตัวเองได้นี่ก็แสดงว่าสุดๆุดแล้วเนี่ยนะโกรธอย่างที่เรียกว่าสุดๆดความโกรธก็เหมือนอึง่งก็บอกว่าธรรมดาเท้าทั้งสี่ของอึ่งเนี่ยเวลามันโกรธมันก็พองตัวปุ๊บมันก็แบบนอนหงายใช่ไหมขามันสั้นจุ๋ยวเนี่ยนะมันก็ได้แต่อุดอาดอุดอาดอย่างเงี้นขวักควยอยู่ในอากาศเดินไปไหนก็ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของศัตรูฉันใดบุคคลผู้ตกอยู่ภายอำนาจของความโกรธก็เหมือนกัน ชั้นนั้นเนี่ยนะไม่สามารถจะกำหนดกรรมฐานให้ขยายได้กุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดกุศลที่เคยเกิดแล้วก็ไม่ยอมเกิดอีกแล้วเนี่ยนะเพราะตกดูภายใต้อำนาจของศัตรูพันความโกรธย่อมยังจิตให้กำเริบเดือดพล่านเนี่ยนะเขาบอกว่าหม้อน้ำที่ตกที่ถูกต้มเนี่ยนะมันเดือดปุ๊บๆุ๊ฉันใดา ย, ยามใดที่โกรธขึ้นมาใจมันก็เดือดดานขึ้นมา ฉะนั้นถ้าบางคนเนี่ยมันไม่ไม่เดือดดานมันเฉาไปเลยเนี่ยนะใจมันเป็นประเภทแบบอ่าเขามีใบไม้บางประเภทสมัยก่อนถ้าจะให้มันหอมเขาต้องไปหล่นไฟเนี่ยกระดังงาหล่นไฟให้อะไรเนี่ยดอกกระดังงาใบไม้บางอย่างเขาไปหล่นไฟเหมือนกันดอกไม้บงางเพื่อให้มีกลิ่นหอมฉันใดใจของบางคนก็หล่นแล้วมันไม่หอมเนี่ยมัน เสียหายเลยนก็เฉาเฉาเฉาไปใจแห้งแห้งหดงูหอเหี่ยวโมเรี่ยวโมแรงเนี่ยนะอ่อนเพลียและเหี่ยใจท้องอืดเป็นต้นก็เอาแล้วท่านนี้โรคสารพัดอย่างก็รุมเร้าเข้ามาพานะานั้นก็กิเลสอะเรียกว่ามานทั้งหลายก็นําไปตามความปรารถนาพัานธุ์ความโกรธเนี่ยยังจิตให้กําเริบ ภ, ภัยที่เกิดขึ้นในภายในน่ยนะอาภิอะไรเรียกว่าเหตุอาเพศเพศภัภยทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจคนโกรธก็ไม่รู้สึก ถ้าหาว่ากโกรธพ่อแม่จะระลึกถึงคุณท่านไหมไม่ผู้มีพระคุณที่เรียกว่ามีคุณหนักหนาเนี่ยนะพอโทสะมันเข้าสิงแนละ้วมันไม่สนใจเลยนะสำนวนที่เขาใช้คําว่าไม่เห็นแก่น้าอินหน้าพรมหน้าอะไรทั้ง น, นั้นหน้าตัวเองยังไม่สนใจเลยใช่ไหมตัวเองยังไม่สนใจท่านความโกรธนั้นนะ่ะทำปกปิดทั้งประโยชน์ตนมันไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนไม่เห็นทั้งประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะไอความกระตันยูรู้คุณไม่รู้มันหาย ห, หน้าหายตาไปไหนหมด อับประมงคลสารพัดอย่างก็เข้ามาตัวเองก็เริ่มตอนแรกเนี่ยนะไม่วอกอยากคบคนพานตอนนี้ผานซะเองเลยคัเนี่ยใครมาคบกับเราเป็นผานหมดเห็นไหนะแล้วก็ตั้งมิจฉาปนิธิอะไรเล ย, เ, ลยเราต้องดา่าเราต้องเค้นเราต้องฆ่าเราต้องอุย้ยแผลงฤทธิ์ออกมาสารพัดต่าง เปิดประตูาบายทีละบาลทีละบาลทีละบาลในที่สุดก็เปิดครบสิประตูเพราะความโกรธเนี่ยยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธไม่รู้สึกคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นทรรเมื่อใดความโกรธครอบงําก็หน้ามืดเหมือนกับอึ่งอ่างเลยนะหน้าสงสารใช่ดูเหมือนยิ่งใหญ่ไหมหูย่อยมากพองลมไม่เต็มที่แล้วก็ขาสั้นชุดจู่เดินไปไหนหก็ไม่ได้ศัตรู เ, เอาไปต้มเนี่ยนะก็บอกว่าความสุขของศัตรูคือการทําให้ศัตรูโกรธ ถ้าคนอื่นมายั่วจนเราโกรธนะคือเรียกว่าเข้าทางแล้วเข้าทางอะไรเข้าทางปืนเข้ามาสิเนี่ยนะเขาจะได้เนี่ยเข้าเรีกาเข้าทางละเพราะฉะนั้นก็ถ้าหาว่าคนที่โกรธเนี่ยจะโง่สมมุติถ้าเราตอนที่เราไม่โกรธเนี่ยฉลาดขึ้นถ้าลองมีเรื่องโกรธขึ้นมาสิง่ายๆถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกไม่ตอนปกติเนี่ยฉลาดเท่านี้นะถ้าลองโกรธดูเนี่ยมันฉลามันเห็นแต่ตัวหนังสือแต่ไม่รู้เรื่องเลยนะมันเหลือแต่ความโกรธอย่างเดียวนะเหลือแต่ว่า และน่ก็ยังไงแหละทั้นความโกรธจึงเหมือนกับอื่องความโกรธและความขัดแขนที่นี้ถ้าลองเราโกรธใครเนี่ยมันจะตามเวยเริ่มสอเสียดจะเริ่มพูดให้คนนี้ไปแตกกับคนนะั้นคือคือสมมติว่าถ้าเราเห็นว่าใครเลวเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องให้ใครเนี่ยกล้องการคอบไอ้คนเลวในความคิดของเราจริงก็าเลวจริงไม่จริ ง, ไ ม, รงไม่รู้ล่ะแต่ว่าความคิดของเรามันวินิจฉัยแล้ ว, วเขาเลวเพราะเราโกรธเขาแล้วนี่ทั้งเราโกรธแล้วก็พ่นสีดำให้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ ไปหรือไม่กับปนสีดําสีด่างสีสารพัด ส, สีพอเราพ่นให้มันดําให้มันด่างอย่างที่เราจะละเลงในความคิดของเราเสร็จแล้วเราก็ไปบอกคนไอ้คนนี้เลวมากนะฮะมันสองคนมันก็เริ่มแตกกันมันก็เริ่มเป็นส่อเสียดตอนแรกกราจริงปนเท็ดเท็ดปนจริงจริงมั่งไม่จริงมั่งยกมั่วมันก็ส่อเสียดมันก็เริ่มแตกคนที่หนึ่งต่อคนที่สองคนที่สองเชื่อมไปหาคนที่สก็เล่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สมุทฐานเรื่องราวเป็นยังไงก็ไม่รู้ความโกรธก็ประทุเข้ามา